สุดแต่งงานใต้ท hmm. ้องทะเลลึกก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรแห่งยอระบอลมีอัศวินคนหนึ่งนามว่าโมเน่เขายังหนุ่มแน่นกล้าหาญและดูดีอย่างมากแต่เขาไม่เคยได้รับการชมเชยจากราชาผู้ลบมากและชั่วร้ายเลยราชาชื่อว่าครอสโมเน่มีม้าคู่ใจชื่อโกดดโกดด์ไม่ใช่ม้าธรรมดามันเป็นม้าที่มีสติปัญญาเป็นอย่างมากวันหนึ่งโมเน่กับโกดอเข้าไปในป่า วันนี้อากาศดีจริงๆเลยพระอาทิตย์ก็แจ่มใสนายว่าไม้โกดดมันเยี่ยมจริงๆเลยล่ละนายท่านเข้าไปในป่าลึกอีกหน่อยกันเถอะเราไปกินเบอร์รี่ที่นั่นกันโกดอดวิ่งเข้าไปในป่าในขณะที่โมเน่มองหาเบอร์รี่ทันใดนั้นโมเน่ได้พบกับคนนกที่เปล่งประกายโอคนนกนี้สวยจัง มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถือไฟแต่มือไม่ไหม้เลยขนนกนั่นมาจากนกไฟนี่มันหายากมากเลยนะไม่ใช่ทุกคนจะได้มันโอ้จริงเหรอข้าน่าจะเอากลับไปให้ราชาครอสนะในที่สุดเขาจะได้ชมเชยข้าและมอบทองเป็นอวันให้กับข้าแนะ่นายท่านข้ารู้ว่าท่านอยากได้คำชมเชยจากราชาแต่ข้าว่าอย่าเอาขนนกนี่ไปให้เขาเลยมันจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสร้างปัญหาโกดด์เจ้าคิดว่าคนนกแสนสวยนี่จะนําปัญหามาให้พวกเรางั้นเหรอแต่ข้าคิดว่ามันจะไม่ให้อะไรเรานอกจากความร่ํารวยนะอืมงั้นก็แล้วแต่นายท่านเลยนายท่านข้าคิดว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยละไปกันเถอะโกดอ์โกดด์และโมเน่กลับมายังอาณาจากักรและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเจออะไรโมเน่มอบคุณนกไฟให้แก่ราชาผู้ดุร้าย เอาฟาบาดข้าขอมอบขนนกแสนสวยจากนกไฟที่หายากเพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีของท่านดีมากโมเน่เป็นการกระทําที่กล้าหาญมากแต่แค่นี้มันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกนะถ้าเจ้าเอาขนนกมาให้ข้าได้เจ้าก็ต้องเอาตัวนกมาให้ข้าได้ด้วยเอานกมาให้ข้า ไม่งั้นเจ้าจะโดนจับโยนลงไปในกรงของสิงโตโมนเน่ต่ลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นความต้องการของราชามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเอาขนนกที่ดุร้ายและยิ่งใหญ่มาได้มนเน่เดินออกจากราชาสำนักและร้องไห้ออกมาเป็นอะไรไปงั้นเหรอหนายท่านราชาราชานั้นจะให้ข้าไปเอานกไฟมาให้เขาข้าจะไปจับสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษแบบนั้นได้ยังไงข้าต้องโดนจับโยนลงไปในกรงสิงโตแน่แน่ ไม่ต้องห่วงานายท่านข้าจะช่วยท่านเองไปขอให้ราชาเอาเข้าพจมาร้อยกระสอบและโปรยมันลงไปให้ทั่วทุ่งในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเขาจะได้รับนกของเขาแน่นอนโมเน่เขาพบราชาและขอสิ่งนั้นเข้าพจน์งั้นเหรอก็ได้วันต่อมาราชาครอสสั่งให้คนของเขาหว่านขา้าพจลงบนทุง่งตอนนี้เราแค่รอให้ถึงตอนเย็น โกดดดและโมเน่รออย่างอดทนท a d ใดนั้นพวกเขาก็พบกับเงาบนทุ่งพวกเขามองเห็นนกไฟที่ส ง, ง่างามกำลังลงมากินข้าวโพดว้าวพวกเขามองด้วยความตะลึงจนกระทั่งกกดดดพูดขึ้นเอาตะขายมาโมเน่โยนตะขายไปจับนกไฟไม่นาน <sh arp> ก็จับมันได้และนำไปมอบให้กับราชายอย่างภูมิใจนี่ครับฟาบาทนกไฟที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่คู่ควรกับท้องฟ้าตอนนี้มันคู่ควรกับท่านแล้วงดงามอะไรเช่นนี้เจ้ากล้าหาญมากแต่การทดสอบของข้ามันยังไม่จบแค่นี้ถ้าเจ้านํานกไฟมาให้ข้าได้เจ้าก็ต้องนําเจ้าหญิงวาสิลิซาที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งมาให้ข้าได้นํานางมาให้ข้าทำไมอย่างนั้นสิงโตรอเจ้าอยู่ <c oughs> ครั้งนี้โมเน่กลัวเป็นอย่างมาก ถ้าหลอกล่อนกได้แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะหลอกล่อเจ้าหญิงโมเน่ Monet, พูดกับโกดด์เรื่องนี้โกดด์พยักหน้าและพูดขึ้นไม่เป็นปัญหาหรอกนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรให้ราชาของท่านมอบยาที่ทำจากลมหายใจมังกรเต็นและดอกกุหลาบเราจะทำให้เจ้าหญิงหลับได้โมเน่ Monet, ขอของเหล่านี้จากราชาครอส ราชาครอสงงงวยกับสิ่งที่เขาขอแต่ก็ยอมมอบทุกอย่างให้กับเขาโมเน่ Monet และโกดด์ไปยังชายฝั่งและพบกับเจ้าหญิงวาซิลิซากำลังนั่งอยู่บนเรือที่มีไม้พายสีทองและกำลังร้องเพลงอย่างอ่อนหวานโอ้แสงอาทิตย์ที่งดงามได้โปรดเทอาแสงให้กับข้าโอ้ธรรมาชาติที่สดใสโปรดมาพพอให้กับข้าด้วยมเน่ Monet, มองไปที่เจ้าหญิงและตะลึงไปกับความงาม ที่เกินกว่าของผู้ใดของนางเดีวเข้าตั้งเต็นและเตรียมดอกไม้ไว้ไม่นานเจ้าหญิงก็กลับเข้าฝั่งตอนนั้นเองโมเน่และโกดดได้เตรียมเต็นไวรอเธอแล้วเ อ, อท่านชอบดอกไม้ไหมฟาวาบารข้าเพิ่งเก็บมันมาเพื่อท่านเลยนะเอ้าวิเศษไปเลยข้าชอบดอกกุหลาบโมเน่มอบดอกไม้ให้กับเจ้าหญิงและเธอก็สูดดมมัน เธอไม่รู้เลยว่ามียาที่ทําจากลมหายใจของมังกรทาไวไอปุนกลีบกุหลาบเมื่อเธอได้กลิ่นเธอก็รู้สึกวิงเวียนโอ้เออข้ารู้สึกง่วงจังโมเน่พยุงเจ้าหญิงไว้ในขณะที่เธอหมดสติกดดและโมเน่กลับมาที่อาณาจักรพร้อมกับเจ้าหญิงในขณะที่พวกเขาเข้าไปในอาณาจากักรราชาครอสก็มีความสุขอย่างมากใครก็ได้สันรัครั้งแต่งงานที เจ้าหญิงของข้ามาถึงแล้วคนใช้สั่นกระดิ่งนั้นทําให้เจ้าหญิงวัสซิลิซาตื่นขึ้นโอ้ข้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่กับเจ้าบ่าวของเจ้าไงล่ะเจ้าบ่าวเหรอใช่แล้วที่รักข้าเองเป็นคนที่จะแต่งงานกับเจ้าอะไรกันข้าแต่งงานไม่ได้ทําไมทําไมล่ะ ข้าแต่งงานไม่ได้โยเ็นต้องสวมชุดแต่งงานของข้าโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นข้าได้เตรียมชุดที่งดงามที่สุดไว้ให้กับเจ้าแล้วเออข้าขอโทษด้วยฝ่า บ, บาทแต่ชุดแต่งงานของข้าเป็นชุดที่ดีที่สุดและไม่มีชุดใดแทนได้เลยละ่ะมันถูกเก็บวไว้ใต้ท้องทะเลใต้หินก้อนใหญ่ข้าจะแต่งงานกับท่านถ้าท่านนามันกลับมาให้กับข้าโมน่ เจ้าได้ยินที่นางพูดแล้วนี่ไปนำชุดนั่นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเอาชุดนั่นมาให้ได้ไม่อย่างนั้นข้าจะโยนเจ้าลงในบ่องูยักษ์ซโมเนตตกตะลึงมากและโกดดก็ได้ยินทั้งหมดให้แล้วละ่ะข้ารู้แล้วว่าพวกเราต้องทำยังไงโกดดวิ่งไปที่ชายฝั่งเจ้าทำอะไรเนี่ยคอยดูเธอหนะ้า โอ้วอวนี่เจ้าเจ้าทําอะไรเนี่ยโอ้วีโอ้วท่านใดนั้นคลื่นได้รุนแรงขึ้นและลราก็ตัวกุ้งมังกรตัวใหญ่ออกมาไงลารี่กระโดดพืชข้ะดีใจที่ได้พบเจ้านะเจ้ามาที่นี่เจ้ามีอะไรให้ค่าช่วยเจ้าอย่างนั้นเหรอ เจ้าหญิงวาซิลิซากำลังจะแต่งงานงั้นเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อชุดแต่งงานสินนะใช่แล้วล่ะลารีเต้นรำในแ ม, ม่น้ำและไม่นานกุ้งมังกรตัวใหญ่สองตัวก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำตอนนี้เจ้าก็ได้ผู้ช่วยเพิ่มขึ้นแล้วเหลือแต่ผู้กล้าที่จะลงไปเอาเท่านั้นข้าจะไปเอาชุดนั้นเองลารีพยักหน้าและมอบยาวิเศษขวดหนึ่งให้กับโมเน่ ตอนนี้ล่ละยานี่เรียกว่า breed under water กลืนมันเข้าไปมันจะช่วยให้เจ้าหายใจใต้น้ำได้โมเน่กลืนยาเข้าไปจะดำลงไปใต้ท้องทะเลไม่นานโมเน่ก็พบกับหินก้อนใหญ่เขายกมันขึ้นมาอย่างง่ายดายในขณะที่กุ้งขวาชุดออกมาข้าทำได้แล้วราชาครอสโมเน่ขึ้นมาจากใต้น้ำพร้อมกับกุ้งมังกรตามเข้ามาอาในที่สุดก็ได้ชุดมาแล้ว ปัญหาของเราเกือบจะหมดลงแล้วละ่ะเกือบมันเหรอทำไมแค่เกือบละ่ะเพราะเร า, เรายังเหลือปัญหาอีกหนึ่งให้กำจัดไงละ่ะเอองั้นละ่ะงั้นก็โชคดีนะไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนยังข้ายังอยากให้เจ้าช่วยในปัญหานั่นเออไรเงั้ยล่ กดอดบอกกุ้งมังกรแลรี่และโมเน่เกี่ยวกับแผนการทุกอย่างของเขาแค่นี้เองเหรอง่ายมากเลยมาเถอะไปกันเลยกดอดและโมเน่ได้นำชัยชนะกลับมายังอาณาจากักรฟาบาทและเจ้าหญิงข้านำชุดของเจ้าหญิงจากใต้ทะเลมาให้ได้แล้วข้าหวังว่าท่านจะพอใจฮะฮะฮะฮะเยี่ยมมาก ในที่สุดเจ้าหญิงก็จะได้เป็นราชินีของข้าแล้วข้าจะเป็นราชาและราชินีที่มีความสุขตลอดไป <_ S 1> <_ S 2> แต่ข้าจะมอบมันให้กับท่านถ้าท่านยอมขอโทษกับอาณาจักรแห่งนี้ขอโทษเรื่องอะไรข้าเป็นถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเจ้ามาบอกให้ข้าขอโทษอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะ นั่นก็ตามใจท่านทำให้ข้าไม่มีทางเลือกเองนะทานใดนั้นกุ้งมังกรตัวใหญ่ได้เข้ามาในพระราชสำนักอะไรกันพวกกุ้งมังกรสกรปรกมาทำอะไรที่นี่พวกเราไม่ได้สกรปรกจัดการเขาเลยกุ้งมังกรเข้าโจมตีเขาราชารีบวิ่งหนีไปออหยุดนาะเจ้ากุ้งมาทหารจัดการพวกมันแล้วทหารเข้ามาขวางทางเพื่อหยุดพวกมัน แต่พวกเขากลับถูกโยนออกไปแทนราชาถูกต้อนไปที่ระเบียงและกลุ้ง ม, มังกรก็ขวางทางเขาไวพา้พูดออกมาพูดออกมาก็ได้ก็ได้ข้าเป็นราชาที่ร้ายกาจและไร้ความปรานีข้าขอโทษลงไปซะไม่ก็ได้ก็ได้ข้าจะลงไป ดีมากตอนนี้จับเข้าไปขังในคุกใต้ดินซะราชาครอสถูกนำตัวลงไปทงังไว้ในคุกใต้ดินคงไม่มีปัญหาอื่นเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมข้าไม่คิดว่ามีแล้วมัง้งเจ้าหญิงว้าซิลิซ่าขอบคุณโมเน่ขอบคุณเจ้ามากเลยนะเจ้าช่างเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญเออไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกทั้งหมดเป็นเพราะโกดดม้าทรงพลัง และลารีกับเพื่อนๆของเขาที่ช่วยท่านไว้เจ้าหญิงว้าซิลิซ่ายิ้มออกมาและพยักหน้าไปทางโกโดด์และลารีแต่เจ้าหญิงข้าขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมได้สิทำไมท่านตอบตกลงแต่งงานกับเขาทั้งที่รู้ว่าเขาลักพาตัวท่านมาถึงตรงนี้เจ้าหญิงว้าซิลิซ่าหัวเราะและพูดกับลารี โมเน่กับโกดสงสัยมีอะไรอย่างนั้นเหรอก็อย่างที่เจ้าเห็นว่าทำไมข้าถึงเก็บชุดแต่งงานไว้ที่ใต้ทะเลเพราะข้าจะได้แต่งงานกับคนที่ข้าชอบเท่านั้นแล้วมันก็ถูกดูแลเป็นอย่างดีด้วยเพื่อนรักของข้าลารี่ยังไงล่ะลารี่เป็นเพื่อนท่านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วและข้าก็บอกเขา้ามีคนอื่นมาเอาชุดแทนข้านั้นก็รู้ได้เลย ว่าข้าน่ะถูกบังคับแต่งงานแล้วเขาก็จะต้องมาช่วยข้าในทันทีอ๋ออ๋อแล้วเช่นนี้เรื่องราวของพวกเราก็จบลงแล้วโมเน่ Monet ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชาคนใหม่แห่งเยอรบนเขามักจะไปเยี่ยมเจ้าหญิงว้าซิลิซ่า บ, บ่อยๆในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วสาหรับโกล ด, ดและลารีงั้นไปดูด้วยตัวเองกันเลยนะ เจ้าน่าจะบอกข้าก่อนเรื่องที่เจ้าตกลงกับเจ้าหญิงไว้ไม่ใช่มาบอกตอนที่ทุกอย่างจบไปแล้วข้าแค่รักษาความสัมพันธ์ที่ข้าตกลงไว้ให้กับเจ้าหญิงแค่นั้นก่อนใแล้วความสัมพันธ์ของเราล่ะวิตีภาพของพวกเราล่ะเจ้าทำให้ข้าดูเป็นเหมือนไอเอาอีกแล้วไง